สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เสียงพีบาสนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่หกสิบสองเรื่องความเกลียดชังพระชนะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบสุภาษิตบทที่สิบข้อที่สิบเจ็ดจนถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดครับสุภาษิตบทที่สิบข้อที่สิบเจ็ดถึงข้อยี่สิบเอ็ดโปรดฟังพระชนะของพระเจ้า ผู้ที่สนใจในคำสอนก็อยู่ในวิถีแห่งชีวิตแต่เขาผู้ปฏิเสธคำเตือนสติก็หลงจนไปเขาผู้ผิดบังความเกลียดชังมีลึมฝีปากมุสาและเขาผู้ออกปากใส่ร้ายเป็นคนโง่การพูดมากก็จะสะสมการทรยศแต่เขาผู้ยับยั้งลึมฝีปากของตนก็เป็นผู้อย่างรู้ลิ้น ของคนชอบทำคือเงินเนื้อบริสุทธิ์ความคิดของคนชั่วร้ายมีค่าแต่น้อยริมฝีปากของคนชอบทำเลี้ยงคนเป็นอันมากแต่คนโง่าตายเพราะขาดสามัญสำนึกพี่น้องครับกษัตริย์โซโลมอนนั้นได้ย้ำเน้นถึงคำสั่งสอนคำสั่งสอนที่มีความสำคัญต่อชีวิต คำสั่งสอนที่เชื่อมโยงชีวิตกับวิถีทางวิถีของชีวิตและเป้าหมายชีวิตในที่สุดพูดตามตรงก็คือว่า <c oughs> เมื่อมีชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นและเราตั้งเป้าหมายของชีวิตเครื่องมือที่จะนำชีวิตนั้นไปสู่เป้าหมายก็คือคำสอนนั่นเองคำสั่งสอนนั่นเอง คำสั่งสอนจะมีผลต่อวิถีชีวิตของคนครับกระสัสนลมนบอกว่าคนที่ปฏิเสธคำเตือนสติหรือคำสั่งสอนนั้นก็จะหลงไปหลงจนไปโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเดินไปทางไหนและในที่สุดก็ไม่สามารถเดินไปที่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้แสดงว่าคนที่ปฏิเสธคาเตือนสติชีวิตของเขาจะหลงสังเกตเห็นได้นะครับ สิ่งที่สําคัญนี้ที่นี้ก็คือชีวิตนั้นจะต้องเชื่อมโยงกับการรับคําสอนชีวิตของเราจะต้องเชื่อมโยงกับการรับคําสอนกับคําสั่งสอนที่มีมาถึงชีวิตของเราบางคนนะครับรับคําสอนที่ไม่ดีก็คือเป็นคําสอนแบบโลกครับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่รู้จักกับพระเจ้า ก, ก็จะสอนลูกแบบโลกโลกเชื่อมโยง ความคิดของโลกว่าคนนั้นก็ทำอย่างนี้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นเขาทำกันอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรสิ่งที่ถูกต้องที่อยู่ในพระเจ้ะของพระเจ้าก็ไม่ได้สอนครับทำให้เด็กๆนั้นเติบโตขึ้นเขาเป็นคนแบบโลกโลกครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า worldy นะครับ worldy o r l d world ที่แปลว่าโลกครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เรียนรู้จากคาสอนที่ดี ชีวิตของเขานั้นก็จะมีความหมายและหลายๆครั้งทีเดียวพระเจ้าได้ตีสอนการตีสอนนั้นเหมือนกับการตีสอนของคุณพ่อคุณแม่ที่ปรับแต่งชีวิตของเราเพราะงั้นการตีสอนจากพระเจ้านะครับไม่ใช่เป็นการลงโทษเพราะว่าการลงโทษนั้นไม่มีอยู่ในคนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ดังนั้นความลําบากองประสปัญหาต่างๆ บางทีอาจจะเป็นการตีสอนของพระเจ้าที่จะปรับแต่งชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อเป็นลูกที่พระเจ้ารักพระเจ้าโปรดให้มีการตีสอนเกิดขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เราหลงไปจากทางของพระองค์พี่น้องครับคนที่ปฏิเสธการเรียนรู้คนที่ปฏิเสธการตีสอนจากพระเจ้าก็ここจะทําให้ตนเองนั้นมีโอกาสหลงทางออกจากทางของพระเจ้าได้นะครับมีโอกาสหลงออกจากทางของพระเจ้าได้ดังนั้นเอง เมื่อการตีสอนมาถึงชีิตของใครนะครับก็ให้คนนั้นนั้นชื่นใจและรับการตีสอนหลังจากนั้นเมื่อการตีสอนผ่านไปเขาก็จะได้รับบทเรียนชีวิตครับเขาจะได้มีชีวิตที่เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้ามีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทยัยมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธการเรียนรู้นะครับอย่าปฏิเสธคําสอนคําเตือนอย่าปฏิเสธการเตือนตีสอน ของพระเจ้าเพราะว่าเราจะไม่ออกจากทางของพระเจ้าพระเจ้ารักใครพระเจ้าก็ตีสอนคนนั้นครับเพียงครับเราจะดูต่อไปการกระทาของใครก็ตามไม่เพียงแต่ส่งผลถึงคนคนนั้นเองก็ยังจะมีผลกระทบถึงคนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นทางที่ชอบทาหรือไม่ชอบทาก็ตามจากตรงนี้นะครับทาให้เราเห็นว่าหลายหลายครั้งทีเดียว เราเองนั้นไม่ได้เป็นคนผิดไม่ได้เป็นคนทําแต่เรารับผลกระทบนะครับรับผลกระทบจากการกระทําของคนอื่นยกตัวอย่างเช่นคนเมาแล้วขับครับเมาแล้วขับเราก็ส่งผลกระทบเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับทําให้คนตายนั่นคือคนตายนั้นเขาเป็นคนบริสุทธิ์ครับคําคนที่ไม่รู้ว่านะครับอินโนอินเนแต่ เขาต้องตายเพราะผลกระทบของการกระทําของเราเป็นอันครับการกระทําของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้และในขณะเดียวกันการกระทําของเราก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการจะตัดสินใจทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างต้องคิดให้รอบคอบเราจะดูในข้อ18ถึงข้อ21นะครับกษัตรย์ซัลมอนกล่าวถึงความไม่ดีไม่งาม อย่างหนึ่งก็คือความเกลียดชังครับความเกลียดชังเมื่อใครก็ตามที่เกลียดชังคนอื่นนะครับและถูกสอนว่าให้ให้ปกปิดไว้ไม่แสดงออกมานะครับคนคนนั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นคนน่าทชื่อใจกคครับเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกคนพวกนี้เราต้องระวังให้ดีเพราะเขาไม่แสดงออกมาซึ่งความไม่พอใจความเกลียดชังของตนเองทีนองครับการเกลียดชังนั้นเราเห็นอาการครับ ก็คือจะนำไปสู่การใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเมื่อเวลาคนเกลียดเราก็มักจะใส่ร้ายป้ายสีเราในขณะเดียวกันเมื่อเราเกลียดคนอื่นบางคนก็ใส่ร้ายป้ายสีคู่กรณีพูดจากโกหกหลอกลวงปิ้นป้นนะครับความคิดเรื่องความเกลียดชังและการใส่ร้ายนะครับก็เต็มไปด้วยการโกหกการพูดไม่จริงการใส่ความกล่าวหาคนที่เราไม่ชอบ อันนี้คือมาจากไหนครับต้นต่อก็คือความเกลียดชังนั่นเองนะครับความไม่พอใจพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ออกมาจากความเกลียดชังและเป็นลักษณะของคนโง่ครับพี่น้องบางผีบอกว่าความเกลียดชังนะครับก็มาจากคนโง่แสดงว่าความเกลียดชังกับคนโง่นั้นมีความสัมพันธ์กันครับความเกลียดชังกับคนโง่นั้นมีความสัมพันธ์กันครับ ข้อสิบเก้าครับการพูดมากไปมักพูดมากจนเกินไปมักจะนาไปถึงความบาปและทำให้ผู้พูดตกอยู่ในความลำบากและนี่ก็เป็นความโง่อีกอย่างหนึ่งครับ mm hmm. เขาบอกว่าเพราะความสามารถที่จะนิ่งเงียบนั้นถือว่าเป็นคนฉลาดและนับว่าเป็นความฉลาดของผู้นำผู้นำนั้นสามารถพูดในสิ่งที่ต้องการพูด และเงียบในสิ่งที่ต้องการจะเงียบอันนั้นคือความสามารถของผู้นำครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะนิ่งในสิ่งที่ควรนิ่งและพูดในสิ่งที่ควรพูดข้อยี่สิบยี่สิบเอ็ดครับการพูดในทางร้ายของคนชั่วร้ายนะั้นก็คือการพูดโกหกการพูดใส่ร้ายหรือพูดมากาพระคัมภีร์เตือนว่าให้เรามีลิ้นของคนชอบทำที่จะเสริมสร้างคนอื่น ถ้อยคําของการเสริมสร้างถ้อยคําของคนชอบทำนั้นก็เหมือนกับเนื้อเงินที่บริสุทธิ์ครับมีคุณค่าสูงและในขณะเดียวกันก็สามารถเลี้ยงดูคนเป็นนั้นมากได้หมายความว่าสามารถเสริมสร้างให้กําลังใจคนเป็นนั้นมากได้แต่กับคนชั่วร้ายนะครับแนวความคิดจิตใจของเขาไม่มีค่าครับไม่เพียงแต่คําพูดของเขาไม่มีค่าเท่านั้นแต่ความคิดจิตใจแนวคิดของเขาไม่มีคุณค่าใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น เราต้องเกลียดชังการพูดในทางร้ายนะครับการพูดโกหกทุกชนิดเหตุผลที่คําพูดที่ชอบทำนั้นมีคุณค่าสูงเพราะอะไรครับเพราะมันช่วยเสริมสร้างแทนที่จะทํำลายนะครับมีคําพูดอย่างนี้ครับไม่ช่วยก็อย่าแช่งเห็นไหมครับคําพูดที่เสริมสร้างนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้พูดและต่อคนอื่นทั้งอารมณ์ความรู้สึกความคิดจิตใจจิตวิญ ญ, ญาณ น, นี่คือการให้คําปรึกษาแนะแนว เป็นการหนุนกิจชูใจเป็นการเสริมสร้างคนอื่นเราต้องการคนเช่นนี้มากมกในคริสตจักรครับความตายจะมาถึงผู้ที่เป็นคนโง่เพราะเขาขาดสามัญสำนึกคนโง่นั้นมักขาดสามัญสำนึกในสิ่งที่ตนพูดและไม่เลยผิด ช, ชอบในสิ่งที่ตนพูดการพูดไม่ดีของเขานั้นไม่เพียงแต่ไม่เสริมสร้างคนอื่นแต่ตัวเขานั้นได้รับผลกระทบก็คือการเหี่ยวแห้งเฉาฝ่ายจิตวิญญาณข้อยิบสองครับ พระพรของพระเจ้านํามาซึ่งความมั่งคั่งความมั่งคั่งที่พระเจ้าประทานให้กับคนชอบธทมและคนขยันนะครับไม่ได้แถมความทุกข์ยากลําบากไว้ด้วยเป็นเรื่องเศร้านะครับของสิ่งที่ได้มาโดยไม่ชอบหมายถึงคนที่ร้นเข้ามามีเงินที่ไม่สะอาดพวกเขาจะมีความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพียงครับในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเกลียดชังอะไรบางอย่าง และสิ่งที่เราควรจะเกลียดนั้นคืออะไรในชีวิตของเราคําตอบที่นี่นะครับมีอยู่สี่ข้อครับหนึ่งเราต้องเกลียดชังความบาปสองนะครับเราต้องเกลียดชังพฤติกรรมการพูดมากจนเกินไปสามเราต้องเกลียดชังความเกลียดชังคนอื่นครับและสี่เราต้องเกลียดชังการมีพฤติกรรมน่าชื่อใจกดสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าพฤติกรรมสามานครับเราต้องเกลียดชังพฤติกรรมสามานขอพระเจ้าช่วยเราและขอพระเจ้าช่วยพี่น้องเี่รักทุกท่าน ในวันนี้ให้หลุดออกจากการมีพฤติกรรมสามานและเกรดจางพฤติกรรมสามา น, นี้อาเมน